ส่งสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมผู้ปรารถนาวิมุติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงให้มาเร่งทําความเพียรกันให้มาเร่งปฏิบัติธรรมที่จะเป็นเหตุที่จะทําให้จิตได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง การทำความเปลี่ยนนี้ก็คือการเจริญสัมมาวายาโมหนึ่งในองค์ประกอบของมรรคดสัมมาวยาโมแปลว่าความเพียรชอบความเพียรที่ถูกต้องเป็นอย่างไรถึงจะเรียกว่าเป็นการทำความเพียรที่ถูกต้องที่จะทำให้เกิด ผลคือเกิดองค์ประกอบของมรักอย่างอื่นเช่นศีล ส, สมาธิและปัญญาก็ต้องเพียรอยู่ในสีลักษณะด้วยกันลักษณะที่หนึ่งเพียรสร้างบุญสร้างกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นมา ความสัมมาว า, มมายาโมข้อที่สองลักษณะที่สองก็คือเพียรรักษาบุญกุศลที่ได้เกิดขึ้นแล้วให้ให้ตั้งอยู่ต่อไปทักษณะที่สามก็คือเพียรละการกระทำบาปและอกุศลทั้งหลายที่ยังมีในใจ ให้หมดสิ้นไปและสี่ให้เพียรป้องกันไม่ให้บาปและอกุศลที่ได้ละแล้วหวนกลับคืนมาอีกนี่คือการทำความเพียรสี่ลักษณะด้วยกันที่เรียกว่าเป็นความเพียรที่ถูกต้องคือเป็นความเพียรที่จะนำมาสู่การหลุพทนจากความทุกข์ทั้งปวง ทังที่ได้ทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรต้องเพียรสร้างบุญสร้างกุศลเพียรรักษาบุญรักษากุศลที่ได้สร้างไว้แล้วไม่ให้หายไปเพียรละบาปอากุศลที่ยังมีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปและเพียรป้องกันไม่ให้บาปและอกุศลที่ได้ละแล้ว หวนกลับคืนมาอีกนี่คือลักษณะของการทําความเพียนที่เรียกว่าสัมมาวายาโมความเพียนชอบหรือความเพียนที่ถูกต้องลักษณะที่หนึ่งก็คือบุญต่างๆบุญกุศลต่างๆที่จําเป็นต่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ถ้าเรายังไม่ได้สร้างก็ให้เราสร้างกันขึ้นมา เช่นการทําบุญทําทานเป็นปกติ<ม>เราได้ทํากันไว้ อ, อยัง <c oughs> ทําปกติก็คือทําอย่างต่อเนื่องทําอย่างสม่าเสมอ<ม><ม>ถ้าเป็นไปได้อย่างชาวพุทธเหล่านี้จะนิยมทําบุญใส่บาตรกันทุกวัน<ม><ม>เพราะว่าหมู่บ้านที่มีวัดก็จะมีพระ<ม><ม>ออกบิณฑบาต ก็จะมีโอกาสได้ทำบุญส่บาตรกันทุกวันการทำบุญส่บาตรทุกวันนี้มันเป็นการสร้างนิสัยที่ดีเพราะว่าถ้าได้ทำทุกวันแล้วมันจะติดเป็นนิสัยจะทำได้ง่ายต่อไปวันไหนถ้าไม่ได้ทำจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปเหมือนกับขาดอาหาร แต่ถ้านานๆทำทีนี่จะทำได้ยากกว่าเพราะว่าในเละในใจก็มีกิเลสตัณหาที่จะคอยต่อต้านการทำบุญทาทานอยู่คือความหวงในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง<ม>ความตนี<ม>ที่ทำให้การทำบุญทาทานนี่รู้สึกว่ายาก แต่ทำได้ก็เฉพาะช่วงวันสำคัญสคัญเช่นวันเกิดวันปีใหม่เป็นต้นถ้าทำในลักษณะนี้ยังถือว่ายังทำไม่สมบูรณ์ค <c oughs> วรจะทำทุกวันให้มันเป็นกิจลักษณะให้มันเป็นเหมือนกับเป็นหน้าที่เป็นนิสยัยปลูกฝังนิสัยที่ดีไว้ โดยที่เราก็ทำไปตามกำลังของเราอย่างชาวบ้านเขาก็ทุกวันเขาก็ต้องกินข้าวเขาก็ยาหุงข้าวทำกับข้าวแล้วก็เขาก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับใส่บาตเท่านั้นเองทำอย่างนี้ก็ถือว่าได้ทาบุญทุกวันไม่จาเป็นว่าจะต้องทาทีละมากๆทํทำไปตามกำลังของเราขอให้ทำให้มันเป็นนิสัย เพราะมือมันเป็นนิสัยนะมันจะติดจะชอบทำทุกวันจะทำเรื่อยๆสาหรับท่านที่ไม่มีโอกาสได้ใส่บาตรเพราะว่าไม่มีพระมาบิณฑบาต ท, ทางบ้านจะใช้การใส่บาตรผ่านทางอย่างนี้มีการมีแม่ค้าที่รับที่จะทำกับข้าวใส่บาตรให้แทน ก็สั่งให้เขาทำให้ก็ได้หรือว่าถ้าไม่สะดวกเราก็เอาเงินที่เราจะใส่บาทในแต่ละวันนี่ใส่ไว้ในในกระปุกใส่ไปทุกวันวันละห้าบาทสิบบาทก็สุดแท้แต่ตามกำลังขอให้ได้ทำแม้แต่วันละบาทก็ยังถือว่าได้ทำบุญทำทาน ทำไปตามกำลังของเราทำให้มันติดเป็นนิสัยเพื่อเอาชนะความตเหนี่เอาชนะความหวงความยึดติดในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเพราะว่าวันหนึ่งเราก็ต้องจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปถ้าเราไม่มีความยึดติดไม่มีความตเหนี่เวลาเราจากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่เสียดาย พรเราก็คิดว่าเป็นเหมือนการทําบุญทําทานไปหรือช่วงที่คิดว่าเราจะใกล้าตายเราก็อาจจะเบิจากเงินที่เราไม่ได้ใช้นี้ไปให้หมดเลยก็ได้แต่ถ้าเราไม่เคยได้ทําบุญทําทานอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัยแล้วนใจมันจะไม่คิดถึงการเสียสละแบ่งปันแต่คิดแต่ห่วงวิตกกังวลกับข้าวของเงินทองที่มีอยู่ การตายก็จะตายอย่างไม่สงบตายอย่างวุ่นวายใจก็ได้ เ, ออเพราะฉะนั้นออถ้าเราไม่มีโอกาสที่ได้ใส่บาตรเพราะไม่มีภาพผ่านมาทางบ้าน เ, ออเราก็เอาเงินใส่กระปุกไว้วันละตามตามจำนวนที่เราอยากจะทําในแต่ละวันออใส่ไปแล้วเมื่อมีโอกาสไปวัด เ, ออเราก็เอาเงินใส่ ที่ใส่กับปุกนี้เอาไปถวายวัดก็ได้ถวายเป็นค่าน้ําค่าไฟเป็นค่าใช้จ่ายของของวัดที่เรียกว่าชําละหนี้สงสงก็สมัยนี้ก็มีหนี้เพราะวัดสมัยนี้เป็นวัดที่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่ามีไฟฟ้าใช้มีน้ําประปาใช้แล้วก็เป็นสถานที่ที่มีคนมา ท่องเที่ยวบ้างมาชมมากราพระกันบ้างก็ต้องมีการดูแลรักษาสถานที่ต่างๆเช่นโบสถ์เจดีศาลาก็ต้องจ้างคนมาช่วยดูแลมีคนมาดูแลเรื่องการทําสวนบ้างอะไรเป็นต้นแล้วถ้าเกิดมีการชํารุดทรุดโทรมก็จําเป็นที่จะต้องมีการซ่อมแซมกันไป ก็มีหนี้มีค่าใช้จ่ายหนี้สง mm. ก็เอามาถวายให้กับวัดไปเพื่อชาระหนี้สง์ต่างๆได้ถึงการถวายเงินให้กับวัดนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายสังฆทาน mm. เป็นการให้ส่วนรวมไม่ได้ให้กับพระรูปหนึ่งรูปใดรูปหนึ่งเอามาใช้ให้ประโยชน์กับส่วนรวมคือให้วัดตั้งอยู่ได้ พระเนนที่มาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็จะอาศัยอยู่กับวัดได้อย่างสะดวกอย่างสบาย mm hmm. มีน้ำใช้มีไฟฟ้าใช้มีกุฏิที่อยู่อาศัยเวลาที่กุฏิที่อยู่อาศัยเกิดการชำรุดทรุดโทรมขึ้นมา mm hmm. ก็สามารถดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้ได้ การสนับสนุนพระสงฆ์หรือสังฆทานนี้เป็นเป็นบุญมากกว่าการสนับสนุนกับพระรูปใดรูปหนึ่งเพราะว่าพระพุทธศาสนาจะอยู่ได้นี้ไม่ได้อยู่เพราะพระพระรูปใดรูปหนึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ต้องถึงแก่ความตายแต่ถ้าสนับสนุนพระทุกรูปที่มาอยู่ในวัดโดยการทําบุญเป็นสังฆทานก็จะ บุญที่เราทำนี้ก็จะมาดูแลพระทุกรูป mm hmm. เวลาพระรูปหนึ่งรูปใดาตายไป mm hmm. ก็ยังมีพระรูปอื่นมาทำหน้าที่แทนได้นี mm hmm. ่เรียกว่าคำวา่าความหมายของสังฆทานก็คือการทำบุญให้กับส่วนรวม mm hmm. ไม่ได้ทำให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่ mm hmm. นไม่ได้ถวายเงินให้กับเจ้าอาวาส mm hmm. ถ้าเป็นของเจ้าอาวาสพระเจ้าอาวาสก็จะเก็บไว้ใช้เองก็ได้ mm hmm. จะจไม่ให้ใครใช้ก็ได้กุฏิพระต้องการซ่อมแซมท่านก็ไม่ไม่ไม่ซ่อมแซมให้ก็ได้เพราะว่าเงินที่ท่านได้นั้นเป็นเงินของท่านเองถ้าที่ไม่มีคนทําบุญก็จะทุกข์ยากลำบากเวลาที่มีความจำเป็นที่จะต้องดูแลปัจจัยสี่ขาดแครนปัจจัยสี่ แต่ถ้าถวายให้เป็นของสงฆ์เป็นของส่วนกลาง mm. ก็จะต้องดูแลกันทุกรูป mm. กุติคายชำรุษสุดโทรมก็ต้องมาช่วยกันซ่อมแซมขาดหรืออะไรก็ต้องอมีเงินส่วนกลางมาดูแลกัน mm. พระพุทธเจ้าจึงทรงเน้นให้ญาติโยมถวายเป็นสังฆทานกัน mm. ถวาจะถวายอะไรนี้ให้ถวายเป็นสังฆทาน เช่นเวลาถวายกุฏิสร้างกุฏิถวายให้กับวัดก็ให้ถวายเป็นสังฆทา น, นไม่ใช่ให้ของแก่พระรูปใดรูปหนึ่งกุฏิที่สร้างนี้ให้พระทุกรูปที่มาอยู่ในวัดนี้สามารถมาอยู่ได้ถ้ามีไม่มีที่อยู่ถ้าหลังนี้ว่างแล้วไม่มีพระอยู่แล้วมีพระใหม่มาอยู่พระใหม่ก็สามารถเข้ามาอยู่ได้ไม่ใช่พระเก่าเมื่อเคยได้อยู่ที่นี่แล้ว ถ้อยู่หลังนี้แล้วก็จะยึดเป็นของของตนถ้าไม่ได้อยู่ถ้าว่างก็ต้องเปิดให้พูดให้ผ้าใหม่ที่เขาไม่มีที่อยู่อาศัยให้เขาได้เข้ามาอยู่ได้นี่คือความหมายของสังฆทานเป็นทานที่มีคุณมีประโยชน์มากกว่าบุคลิกทานคือทานที่ให้กับเฉพาะบุคคลคนเดียวเป็นต้น ตอนที่พระพุทธเจ้าไปไปโปรดพระราชบิดาพระญาติมิตรที่พระราชวังครั้งแรกรู้สึกว่าพระพระนางพระที่เป็นแม่เลี้ยงของพระพุทธเจ้านี้อุตส่าห์ตัดเย็บจีวรเพื่อจะที่จะถวายพระพุทธเจ้าแต่เวลาถวายครั้งแรกพุทธเจ้าก็ส่งปฏิเสธว่า เอาไปถวายให้เป็นของสงดีกว่าให้สงพิจารณาหรือว่าผ้ารูปใดขาดแคลนต้องการผ้าให้ให้พ้ารูปนั้นได้เอาไปใช้จะดีกว่าสําหรับผ้าที่มีอยู่แล้วมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ผ้าใหม่ก็ได้แต่เธอก็พยายามยัดเยียดถวายครั้งที่สองพรเจ้าก็ทรงปฏิเสธถวายครั้งที่สามก็ทรงปฏิเสธแล้วตัดว่า อยากให้พระพุทธศาสนามีชีวิตอยู่อายุยืนยาวนานห้าพันปีก็ขอให้ทําถวายทานด้วยการด้วยการถวายสังฆทานเถิดเพราะว่าถ้าถวายให้กับพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระพุทธเจ้าอยู่อีกสี่สิบห้าปีก็ตายแล้วถ้าตายแล้วก็จะไม่มีใครมาทําหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าเพราะถ้าถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระลูกอื่นก็จะไม่มีผ้าใช้กัน เมื่อไม่มีผ้าใช้เมื่ไม่มีปัจจัยสี่มาใหใ้การสนับสนุนผ้าเหล่านั้นก็อยู่เป็นผ้าต่อไปไม่ได้ก็ต้องลาสิกขาไปก็ยังไม่มีผ้ามาทําหน้าที่สืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปนั่นเองนี้คือความหมายของการทําทานที่ยิ่งใหญ่ก็คือทำทำเป็นสังฆทานถวายทาวรและวัตถุตัณฑ์ กุติก็ดีโบสถ์ก็ดีศาลาก็ดีเจดีก็ดี <Yes. S 1> ถาล้วัตถุ <Yes. S 1> เหล่านี้มักจะถวายเป็นสังฆทานกัน <Yes. S 1> นอกจากของเล็กๆน้อยๆที่จำเพาะที่ใช้จำพาะบุคคลเช่ <Yes. S 1> นของใช้ประจำวัน <Yes. S 1> ก็อาจจะถวายเป็นบุคคลไปก็ได้ <Yes. S 1> ถ้าเรารู้จักพระรูปใดแล้ว มีความศรัทธาที่อยากจะถวายให้กับพระรูปนั้นก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องรู้จักประมาณรู้จักความพอดีไม่ใช่จะจะถวายเฉพาะองค์เดียวไปโดยที่ไม่คํานึงถึงพระรูปอื่นพระรูปอื่นที่อยู่ในวัดเขาก็มีความจําเป็นเหมือนกันทุกรูปถ้าเป็นทางธรรมเนียมของวัดป่า mm hmm. เวลาเราเอาเข้าวของไปถวายนี้มักจะมีครูบาอาจารย์ ที่เป็นหัวหน้าจะเป็นผู้รับของต่างๆที่ญาติโยมํามาไปถวายแล้วท่านก็จะไม่ถือเป็นของของท่านท่านจะถือว่าท่านมาทำหน้าที่รับแทนสงของต่างๆก็จะเอาไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งฟันกับผ้าต่างๆพ้าที่อยู่ในวัดใครขาดอะไรก็สามารถมามาหยิบได้จะมีที่เก็บของส่วนกลางไว้ เชนยาสีฟันแปรงสีฟันส บ, บู่ข้าวของใช้ที่จำเป็นต่างๆเวลาพระรูปใดรูปหนึ่งขาดการก็สามารถไปที่ไปหยิบเอาเองได้โดยที่ไม่ต้องมาขออนุญาตเพราะถือว่าเป็นของส่วนรวมของทุกคน อ, อย่างนี้ก็จะได้ไม่ต้องไปสะสมกันในกุฏิกุฏิพระปฏิบัติมากจะไม่ค่อยมีสมบัติอะไรเท่าไหร่ เพราะท่านมาบวชเพื่อที่จะมาละกิเลสตัณหาละความยึดมั่นถือมั่นในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่าง ๆ, ๆท่านเพียรพยายามที่จะอยู่อย่างมากน้อยสันโดษคือมีเท่าที่จำเป็นเช่นมีเพียงอัตถบริขารเป็นสิ่งที่จำเป็นของนักบวชที่จะต้องมีสมบัติแปดชิ้นด้วยกันคือ ผ้าสามผืนเข<ม>็มขัดรัดเอวหนึ่งผืนเป็นส<ม>ี่ใบมีโกนเป็นห<ม>้าเข็มก็ได้เป็นหก<ม>บาตรเพื่อบิณฑบาตรับอาหารก็เป็นเจ็ดแล้วก็ที่กรองน้ำเป็นแปดนี่คือทรัพย์สมบัติข้าของของนักบวชมันจะมีเพียงเท่านี้ ที่ท่านจะต้องมีไว้ครอบครองตลอดเวลาเพราะจะได้ใช้ในการสนับสนุนร่างกายของท่านให้อยู่เป็นปกติสุขนั่นเองนอกเหนี้จากนั้นแล้วถ้าท่านไม่มีอะไรจำเป็นท่านก็จะไม่สะสมไม่เก็บเอาไว้เพราะพระปฏิบัตินี้มักจะไปไหนมาไหนไปปีกวิเวกไปอยู่ตามป่าตามเขาเวลาออกพรรษาแล้ว บางทีก็จะไปปีกวิเวกันเวลาไปก็ต้องสละกุติไปเปิดให้คนอื่นที่เขาเข้ามาทีหลังให้เขาได้มีที่อยู่ได้ไม่ยึดไม่ติดกับกุติที่ภาคอาสัยเข้าของต่างๆที่ในกุติก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าจะได้ไม่เป็นที่พาระกับคนที่เข้ามาอยู่ใหม่ว่าเขาจะใช้ได้หรือไม่ได้ เราควรจะทําอย่างไรกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในกุเตะกา ร, ารบวชจริงๆนี่มาบวชเพื่อให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้มาบวชเพื่อมาสะสมลาภสการะต่างๆาสาสาการสะสมลาภสกาละนี่มันก็จะเป็นตัวที่จะดึงจิตใจให้กลับมาติดอยู่ในกองทุกข์อยู่เรื่อยๆ ถ้าอยากจะหลุดออกจากกองทุกนี้จะต้องไม่ไปยึดไปติดกับอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่ไปยึดติดนี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขขังอนัตตาทั้งนั้น mm hmm. อันิจจังก็เป็นของไม่เที่ยง mm hmm. เมื่อได้ของมาแล้วไปรักถ้าไปรักไปหวง mm hmm. เวลาสูญเสียหรือเวลาที่ต้องจากมันไปก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา mm hmm. อนัตตามันไม่ได้เป็นสมบัติของใคร mm hmm. มันเป็นสมบัติของธรรมชาติมาจากธรรมชาติแล้ววันหนึ่งก็จะต้องกลับคืนสู่ธรรมชาติไปสมบัติต่างๆมีไว้เพียงแต่เอามาใช้ประโยชน์เท่าที่จำเป็นเท่านั้นใจจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันไม่ต้องมีความทุกข์มีความกังวลต้องคอยมาดูแลรักษาต้องคอยออคอยเฝ้าคอยดู ใจก็จะไม่มีกจิตกระจายที่จะมาบาเพ็ญความเพยียนต่างๆนั่นเองอันนี้คือเรื่องของการทําบุญทำทานของศรัทธาญาติโยมเบื่องต้นนี้สำหรับศรัทธาญาติโยมนี้ต้องเน้นเรื่องการทําบุญทำทานก่อนเพราะศรัทธาญาติโยมนี้มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากเกินไปแล้วมักจะเอาไปใช้ในทางที่ผิด แทนที่จะนํามาไปใช้เพื่อการดับความทุกข์ใจหรือดับความทุกข์ทางร่างกายก็เอาไปสร้างความทุกข์ให้กับใจด้วยการไปซื้อของที่ไม่จําเป็นต่อาการดํารงชีพเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือซื้อความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นลดโผฏฐะซื้อกามมัุ่ขเช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปเที่ยวตาม ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆห ร, หรือการซื้อของหรูหราของที่ไม่มีความจําเป็นซื้อของแพงๆอของเหล่านี้มันเป็นเหมือนยาเสพติดมื่อซื้อแล้วมันจะติดมันอยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆเห็น อ, อ, อ, อะไรเห็นของแปลกของใหม่รุ่นใหม่ออกมา กระเป๋า อ, อรุ่นใหม่ออกมารองเท้ารุ่นใหม่ออกมารถยนต์รุ่นใหม่ออกมามีอะไรรุ่นใหม่ออกมานี่มักจะเกิดตัณหาความอยากขึ้นมาทันทีพอเกิดตัณหาก็อยู่ไม่เป็นสุขใจก็ต้องเดินใจก็จะต้องไปเอาไปทําตามความอยากให้ได้แล้วถ้าเกิดมีปัญหาไม่สามารถทําตามความอยากได้ก็จะเกิดความเศร้าใจเสียใจ ใจความน้อยเนื้อต่มใจขึ้นมาไม่มีความสุขแต่มันเป็นสิ่งที่มันจะทำให้ให้ติดถ้าไปถ้าไปซื้อของเหล่านี้แล้วมันจะเป็นเหมือนยาเสพติดพอเสพแล้วมันติดติดกับความสุขที่ได้จากการที่ได้ซื้อของเหล่านี้มาช่วงแรกๆ แ, แต่มันก็ไม่เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืน วสองวันความสุขที่ได้จากการซื้อของนั้นก็หมดไปพอไปเห็นของใหม่ขึ้นมาก็เกิดความอยากได้ของใหม่ขึ้นมาอีก mm. ก็ต้อ ง, ก, องก็ต้องใช้เงินซื้อไปเรื่อยๆซื้อไปเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอ mm. จนอาจจะทำให้เกิดเงินทองไม่พอใช้ก็ขึ้นมาก็ได้ mm. อ น, นี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะใช้เงินอย่างถูกต้องสำหรับผู้ครองเรือน เพราะว่ามันเป็นทําให้เกิดโทษกับจิตใจเพราะมันเป็นเหมือนกับการซื้อยาเสพติดมาเสพนั่นเองการใช้เงินที่ถูกต้องเพื่อให้ความสุขกับใจให้สุขให้ความอิ่มเอิบใจกับกับใจก็คือการเอาเงินนอาทองเอาข้าวของใบทำบุญทําทานในลักษณะต่างๆแล้วแต่จะพอใจทําบุญทําทานแบบไหนสามารถทําได้ ทำกับใครก็ได้ทำกับพระก็ได้ทำกับพูกพลาวาทผูขคองเรือนก็ได้ เ, เวลาทําแล้วมันจะได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันการให้นี้เรียกว่าทานเวลาเราให้ของนี้เราเรียกว่าเราทําทา น, นแล้วผลที่เราได้รับกลับมาก็คือความสุขใจอิ่มใจอันนี้เรียกว่าบุญดังนั้นการทาทานนี้ ทำกับใครก็ได้บุญเหมือนกันไม่ใช่ว่าทาต้องทำกับพระถึงจะได้บุญทำกับผู้ที่ไม่ใช่เป็นพระไม่ได้บุญไม่ใช่ได้บุญเหมือนกันได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันสุดแท้แต่ว่าเราชอบที่จะทำกับใครบางคนก็ชอบตอบแทนบุญคุณกับผู้ที่มีพระคุณก็ทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้ผู้มีพระคุณ ที่ยิ่งใหญ่กับลูกๆเวลาได้ทําบุญให้พ่อแม่อยู่อย่างมีความสุข<ม>ใจเราก็จะเกิดความสุขใจสบายใจขึ้นมาแล้วจะไม่มีความหิวกับการที่อยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปดูมหอศจรรย์บันเทิงต่างๆหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆเพราะใจอิ่มด้วยบุญที่ได้ทำไว้นั่นเอง นี่คือบุญกุศลสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ออกบวชยังมียังใช้เงินใช้ทองซื้อความสุขอยู่อย่าไปเอาเงินทองไปซื้อยาเสพติดอย่าไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วมันจะติดจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อ ย, เ, อยเวลาที่ไม่ได้เสพเราจะรู้สึกเหงารู้สึกหงุดหงิดรู้สึกว่าวเวย รู้สึกไม่มีความไม่สบายใจไม่อิ่มใจไม่สุขใจถึงแม้ว่าจะเคยซื้อข้าวซื้อของมาเยอะแยะเคยไปเที่ยวที่ไหนมาเยอะแยะแล้วก็ตามแต่ความสุขเหล่านั้นที่ได้จากการไปเที่ยวไปซื้อของเหล่านั้นมันหายไปหมดแล้วมันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นเหมือนควันไฟเวลาได้เสพได้สัมผัสก็เกิดความสุขใจสบายใจชั่วครู่หลังจากนั้นพอสักพักหนึ่งมันก็จางหายไปจากใจ ทำให้ใจรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกว่าขาดนูน่นขาดนี่รู้สึกว่าไม่มีความสุข ก, ก็เลยต้องกลับไปซื้อของใหม่หรือไปเที่ยวใหม่เพื่อที่จะได้ทําให้เกิดความสุขใหม่ขึ้นมาอีกเ <zn> ที่ยวเท่าไหร่ซื้อของเท่าไหร่มันก็ไเป็นอย่างนี้ต้องซื้อต้องเที่ยวไปจนมันตายแล้วมันจะต้องไปเจอวันที่ไม่สามารถที่จะทําได้ เช่นร่างกายก็จะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆอยอกไปร่างกายก็จะไม่มีกำลังวางชาที่จะไปเที่ยวไปทำอะไรเหมือนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ออต้องอยู่บ้านก็จะรู้สึก อ, อยู่อย่างเศร้าส้อยหงอยเหงาออบางคนก็อาจจะถึงถึงกลับเป็นโรคซึมเศร้าขึ้นมาก็ได้เพราะไม่สามารถที่จะ ออกไปเที่ยวไปเสพ ร, รูปเสียงกินรถโพธภพชนิดต่างๆตามสถานที่ต่างๆได้ต้องอยู่บ้านบางคนก็ถึงกับต้องนั่งรถเข็นก็มีจะไปไหนมาไหนก็ลำบากต้องรอให้คนที่เขาดูแลเขามีเวลาว่างมาพาเราไปตามสถานที่ที่เราอยากจะไปอันนี้แหละถ้าเราทําบุญทาทานอยู่เป็นปกติแล้ว ความรู้สึกเหงาเศร้าซ้อยห้อยเหงาว้าเวที่จะต้องอยู่บ้านนี้จะไม่เกิดเพราะบุญที่เราได้ทํานี้จากการทําบุญทําทานนี้มันจะให้ความสุขให้กับให้ความอิ่มใจกับใจจะทําทให้เราไม่รู้สึกวา่าเศร้าซ้อยห้อยเหงาว้าเวสามารถอยู่บ้านได้สามารถอยู่บ้านแล้วก็ศึกษาธรรมะฟังเทศฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้นะ อนนี้คือเรื่องของการสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการทำทาน<ม>ถ้าเรายังไม่มีนิสยัยชอบทำบุญทาทานก็พยายามฝึกนิสยัยนี้ไปเถิด<ม>ทุกครั้งที่ยาวเงินไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็เอามาทำบุญพยายามเปลี่ยนนิสยัย<ม>ต่อไปเราก็จะไม่ไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่ไปซื้อ ของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ไปซื้อของหรูหราต่างๆเอาเงินเอาทางไปทำบุญแล้วมันความรู้สึกมันต่างกันเหมือนรับเหมือนกับการที่เราไปซื้อยาเสพติดมาเสพกับการที่เราไปซื้ออาหารมากินเนี่ยความรู้สึกมันต่างกันกินอาหารแล้วร่างกายก็อิ่มสบายเสพยาเสพติดร่างกายก็ยังหิวอยู่หิวอาหารอยู่ ได้ความสุขจากยาเสพติดชั่วครู่ชั่วคราวเท่านั้นเองพยายามสร้างบุญสร้างกุศลให้เกิดขึ้นมาถ้าเรายังไม่ได้ไม่มีความไม่มีบุญกุศลแบบนี้คือการทําบุญทําทานให้เป็นนิสัยพยายามฝึกให้เป็นนิสัยทําวันละเล็กวันละน้อยทํามากทําน้อยก็ได้ขอให้ได้ทําไปเรื่อยๆแล้วจิตใจจะ มีความผูกพันมีความยินดีเพราะทุกครั้งที่เราเสียสละเงินทองไปนี่มันจะทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจอิ่มใจขึ้นมานั่นเองสบายใจ <c oughs> น, นี่คือบุญกุศลอย่างหนึง่งที่เราควรจะสร้างกันขึ้นมาถ้าเรายังไม่มีส่วนบุญกุศลที่ที่ที่ดีกว่านี้ที่จะให้ความสุขมากกว่านี้ก็คือบุญกุศลที่การ เกิดจากการศึกษาปฏิบัติธรรมนี่เองเป<อ>นการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆนี่นก็จะทำให้เกิดมีความสุขใจขึ้นมาเพราะว่าการฟังธรรมนี้จะมีอนิสงส์อยู่ห้าข้อ ด, ด้วยกันคือหนึ่ง <c oughs> จะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน <c oughs> สองเมื่อเราได้ยินได้ฟังธรรมะ ที่เราเคยได้ยินได้ฟังทำแล้วก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสามจะทําให้เราหายสงสัยในเรื่องธรรมะต่างๆที่พระเจ้าทรงสอนได้สี่จะทําให้เรามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องและห้าจะทําให้จิตใจเราสงบผ่องสใสมีความสุขออนอกจากการทํำบุญทำทานให้เป็นนิสัยแล้วก็ควรที่จะ ฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะให้เป็นนิสัยยิ่งสมัยนี้การฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะนี้สะดวกมากไม่ต้องมาวัดก็สามารถฟังได้อ่านได้มีหนังสือจากหนังสือธรรมะแจกให้ออกไปอ่านที่บ้านได้ทางสื่อทางอินเทอร์เน็ตทาง youtube ท, ทาง Facebook ก, ก็มีเทศธรรมะต่างๆของครูบาอาจารย์ต่างๆ และคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าถ้า อ, อยากจะเรียนรู้พระสูตรอันไหนก็สามารถค้นหาได้ในในมือถือเลยแทนที่จะเอาเวลาไปดูหนังดูละครไปดูเรื่องไร้าสาระต่างๆเรื่องคนทะเละกันคนนั้นมีชู้กับคนนี้คนนี้หยา ก, กันคนนี้แต่งงานกันเป็นเรื่องไร้าสาระไม่เกิดคุณประโยชน์กับจิตใจแต่อย่างใด ไม่ทําให้เกิดปัญญาไม่เกิดไม่ได้ทําให้จิตใจเกิดความสงบน้อมเย็นเป็นสุขขึ้นมาแต่ถ้าพังธทำแล้วก็จะได้โป่งได้จะได้รู้ว่าทรัพย์สมบัติเข้าของเงินต่างทองต่างๆที่เรามีอยู่ในครบครองนี้มันเป็นของชั่วคราวเดีย๋ยวตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้ <c oughs> สิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็คือบุญและบาปที่เกิดจากการกระทําของเราเอง ถ้าเราทำบุญเราก็จะได้เอาความสุขใจไปถ้าเราทำบาปเราก็จะเอาความทุกข์ใจไป<ม>ใจที่ทุกข์ก็จะไปอยู่ในอบาย<ม>ใจที่สุขก็จะไปอยู่ในสวรรค์<ม><ม>นี่คือธรรมะการฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะทำให้เราอายสงสัยว่านรกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่กดแ่งกรรมมีจริงหรือไม่ มัรผลนี้พานมีจริงหรือไม่ของเหล่านี้มีจริง<ฮ>งแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ไปรับผลเหล่านี้ท่านเองเพราะเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเท่านั้นเองที่เราคิดว่าเป็นผู้ที่จะไปรับผลแต่ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นผู้ที่รับผลและร่างกายไม่ใช่เป็นผู้กระทาบุญหรือผู้กระทาบาสน่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของผู้ที่ทาบุญทาบาศ ผู้ที่ทําบุญทําบาตก็คือผู้ที่สั่งให้ร่างกายไปทําบุญหรือทําบาสนั่นเองผู้ที่สั่งนี้ก็คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้นี้ต่างหากที่เป็นผู้กระทําบุญกระทําบาตและเป็นผู้ที่รับผลบุญผ ล, ผ ล, ผลบาสสังเกตดูเวลาที่เราเอาร่างกายไปทําบุญใส่บาตทําบุญอะไรต่างๆนี้ร่างกายไม่ได้รับความสุขใจนะผู้ที่ได้รับความสุขก็คือใจ ความสุขใจอิ่มใจเกิดขึ้นที่ใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายถ้าร่างกายยังหิวอยู่ยังไม่ได้กินข้ามันก็ยังหิวอยู่ถึงแม้ได้ทำบุญทาทานแล้วก็าตามผู้ที่ได้ความอิ่มใจสุขใจก็คือใจแต่ร่างกายไม่ได้รับผลจากการทำบุญทำทานแต่อย่างใดเช่นเดียวกับการทำบาปเวลาไปทำบาปเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ไม่ใช่ร่างกายเป็นผู้ที่เกิดที่รับความทุกข์ ผู้ที่รับความทุกข์ก็คือใจแล้วความสุขใจและความทุกข์ใจที่เกิดจากการทําบุญทําบาปนี้มันจะสะสมอยู่ในใจเป็นเหมือนกับธนาคารธนาคารบุญธนาคารบาปเวลาเราทําบุญเราก็เหมือนกับเอาบุญไปฝากไว้ในธนาคารบุญเวลาทําบาปเราก็เอาบาปไปฝากไว้ในธนาคารบาปคือเอาความทุกข์ใจไปฝากไว้ในในใจของเรา เวลาทำบุญเราก็เอาความสุขใจไปฝากไว้ในใจของเราความสุขใจและความทุกข์ใจนี้มันก็จะสะสมกันไปเรื่อยๆจนถึงวันตายพอวันตายก็เป็นเหมือนวันคิดบัญชีระหว่างบุญกับบาปนะบุญนี้มีมากเท่าไหร่บาปมีมากเท่าไหร่ฝ่ายไหนมีกำลังมากกว่ากัน <c oughs> ถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปอยู่ในสวรรค์ ถ้าบาปมีกาลังมากกว่าบาปก็จะเป็นผู้ดึงใจให้ไปอยู่ในอบาย mm. ไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนสุลกายบ้างไปตกนรกบ้าง <c oughs> ขึ้นอยู่กับบาป บ, บาปที่เราทำทำด้วยสาเหตุอันใดทาด้วยความหลงความไม่รู้ว่าเป็นบาปก็ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานทำด้วยความโลภก็ไปเป็นเปรตทำด้วยความกลัวก็ไปเป็นนสุลกาย mm. ทำด้วยความอาฆาตพยาบาทเครี mm. ยด mm. แค้นจองเวรจองกรรมก็ไปอยู่ในนรกส่วน <Yeah. S 1> สวรรค์ก็มีอยู่หกชั้น oh. ด้วยกันความสุขมากน้อยต่างกันหกชั้นขึ้นอยู่กับว่าเราทําบุญมากน้อยเท่าไหร่ <Yeah. S 1> ถ้าเราทําบุญหนึ่งหนึ่งในหกหนึ่งในสัดส่วนหนึ่งในหกของทรัพย์สินที่เรามีอยู่ ถ้าเรามีเงินเดือนหกพันเราทําทำบุญเดือนละพันเราก็จะไปสวรรค์ชั้นที่หนึ่งได้ความสุขในระดับสวรรค์ชั้นที่หนึ่งถ้วเราทําบุญ <c oughs> เดือนละสองพันเราก็จะมีอยู่สวรรค์ชั้นที่สองที่มีความสุขมากกว่าชั้นที่หนึ่งถ้าเราทําบุญสามพัน 3, 000, เราก็จะไปอยู่ชั้นชั้นที่สามถ้าเราทําบุญหมดเลยเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทอง เราจะมีเงินสะสมอย่างอื่นเก็บไว้ไม่ต้องอาศัยเงินก้อนนี้เราก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นชั้นหกเลยสวรรค์แต่ละชั้นก็เป็นเหมือนโรงแรมที่มีดาวแต่ละแต่ละรแต่ละดวงไม่เท่ากันบางโรงแรมก็เป็นโรงแรมหนึ่งดาวบางโรงแรมก็เป็นสองดาวสามดาว <c oughs> โรงแรมที่มีดาวมากก็จะมีมีการบริการที่ดีมากให้ความสุขมากให้ความสบายมากขึ้น ตามกำลังแต่ค่าใช้ใจ่ายก็ต้องสูงขึ้นไปตามลำดับ้าไปพักโรงแรมหนึ่งดาวค่าใช้ใจ่ายก็น้อยกว่าไปพักในโรงแรมสองดาวเป็นต้นการทำบุญของเราก็มีมากมีน้อย <c oughs> แล้วแต่จะศรัทธาแล้วแต่จะจะเชื่อแล้วแต่จะมีความยินดี <S <s <us ur> ถ้าเชื่อมากเชื่อว่าโลกนี้เป็นที่อยู่ชั่วคราว เดี๋ยวตายไปเราต้องไปเปลี่ยนเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ถ<ม>้าเราอยากจะไปอยู่ที่ดีกว่าที่เราอยู่ในขณะนี้เราก็ทำบุญกันให้มากๆ <c oughs> แล้วเราก็จะได้ไปอยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขมากกว่าความสุขที่เราได้จากการอยู่ในโลกของมนุษย์<ม><ม>นี่ก็คือเรื่องของการทำบุญเรื่องของการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้ความเข้า อ, อกเข้าใจในเรื่องราวต่างๆมากยิ่งขึ้น เราจะได้หายสงสัยว่าบาปนี้ทำให้ใจไปสวรรค์ได้อย่างไร <c oughs> บาปที่ทำให้ใจไปอบายได้อย่างไรบุญนี้ทำให้ใจไปสวรรค์ได้อย่างไรเพราะเวลาทำบุญมันทำให้ใจมีความสุขนั่นเองเวลาทำบาปมันทำให้ใจมีความทุกข์เ <c oughs> มื่อใจมีความทุกข์ใจก็จะไปอยู่ในอบายเวลาที่ร่างกายนี้ตายไปถ้าใจมีความสุข เวลาร่างกายตายไปใจก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่าง ๆ, ๆ <c oughs> แล้วนอกจากสวรรค์ที่ได้จากการทําบุญทําทานแล้วก็ยังมีสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ที่ได้จากการทําบุญทําทานที่มีความสุขมากยิ่งกว่าสวรรค์หกชั้นเสีนั้นก็คือสวรรค์ชั้นพรหมการจะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรหมได้ก็ต้องต้องมีการปฏิบัติ จิตตะภาวนาคือสมถะภาวนาคือการทำใจให้นิ่งให้สงบให้เข้าฌานเวลาใจเข้าฌานได้ใจก็จะพบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากจากการทำบุญทำทานจากการได้ไปอยู่ในสวรรค์ <Yeah. S 1> ชั้นต่างๆบุญที่ได้จากการทำใจให้สงบการจเจริญสตินั่งสมาธิทำให้จิตเข้าสู่ ชาญชั้นต่างๆได้ mm hmm. จิตก็จะไปอยู่สวรรค์ชั้นพรมชั้นต่างๆ <c oughs> มีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการการทาบุญทาทาน mm hmm. อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้ยินได้ฟังเวลาที่เรามาฟังเทศฟังธรรมแล้วสูงกว่านั้นระดับที่มีความสุขมากกว่าสวรรค์ชั้นพรหมก็ยังมีอีกระดับหนึ่ง เราเรียกว่าระดับของพระอริยะบุคคลพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ท่านจะได้รับความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นพรหมเพราะอะไรเพราะความสุขที่ได้จากสวรรค์ชั้นพรหมนี้มันเป็นความสุขชั่วคราวได้ในขณะที่ใจเข้าเข้าไปในสมาธิเข้าไปอยู่ในฌาน เวลาออกจากสมาธิเอาอจากชานมามันก็เสื่อมหายไปได้แต่ถ้าเป็นความสุขที่ได้จากการบรรลุเป็นพระอริยบุคคลในแต่ละขั้นนี้ความสุขที่ได้จากการบรรลุธรรมนี้มันจะไม่เสื่อมมันจะไม่หายมันจะอยู่กับใจไปเรื่อยๆจะเพิ่มความสุขไปตามขั้นของการบรรลุธรรมความสุขของพระโสดาบันก็จะน้อยกว่าความสุขของพระสกิรดาคามี ความสุขของพระสกีดาคามีก็จะน้อยกว่าความสุขของพระอนาคามีความสุขของพระอนาคามีก็จะน้อยกว่าความสุขของพระอรหันต์ถ้าได้ถ้าได้เป็นพระอรหันต์ก็จะได้ความสุขที่สุดที่สุดยอดความสุขที่สูงสุดก็คือความสุขของพระนิพพานนิบานังปรมังสุขขัง บาลมสุขาลมสุขก็คือความสุขที่ยั่งยืนถาวรที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมด <c oughs> ความสุขของพระอริยบุคคลข้างหน่งยังไม่สมบูรณ์พระโสดาบันยังได้ความสุขเพียงหนึ่งในสี่พระสกิจดาคามินได้ความสุขสองในสี่พระนาคาเมนได้ความสุข3ามในสี่พระโสดาบันาพระอรหันนี้ได้ความสุขเต็มร้อยเลย แล้วเป็นความสุขที่ไม่เสื่อมไม่เหมือนกับความสุขของของพรห ม, มโลกของของของพรหมชั้นต่างๆหรือของเทวดาชั้นต่างๆความสุขของเทวดาของพรหมนี้ยังเสื่อมอยู่เวลาตายไปไปอยู่ในสวรรค์ชั้นพรหมได้อยู่พักหนึ่งพอบุญที่ส่งไปหมดกําลังลงเหมือนรถที่หมดน้ํามันก็จะต้องกลับมาเติมน้ํามันใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เมื่อกลับมาเกิดมนุษย์ก็จะกลับมาทำบุญทำทานใหม่ต่อไปนะนี่คือบุญกุศลที่เราควรจะสร้างกันสองระดับก็ระดับทา น, นแล้วก็ระดับสมาธิคือสมถะภาวนาแล้วก็ระดับปัญญาก็คือระดับวิปัสสนาภาวนา น, นี่คือเหตุบุญที่กุศลที่เรา ต้องสร้างกันถ้าเราอยากจะได้ได้ประโยชน์ได้ความสุขทางใจที่ยั่งยืนถาวรที่จะไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องขยับจากสวรรค์ชั้นเทพคือสวรรค์ที่ได้จากการทําทานขึ้นไปสู่สวรรค์ที่ได้จากการนั่งสมาธิทําใจให้สงบแล้วพอได้สวรรค์ชั้นสมาธิแล้วก็เปลี่ยนเป็นขยับขึ้นไปสู่สวรรค์ชั้นปัญญา การที่เราจะไปสู่ชั้นปัญญาได้เราก็ต้องมีธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เร า, เาสร้างปัญญาขึ้นมา้าปัญญาที่เราต้องรู้ก็คืออริยสัจสี่ให้รู้ว่าอะไรที่ทําให้ใจเราทุกข์อะไรที่จะทําให้ใจเราสุขถ้าเราอยากจะให้ใจเราสุข เ, เราก็ต้องกําจัด สิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์ให้หมดไปพอใจสิ่งที่ทำให้ใจเราทุกข์หมดไปใจแล้วก็จะมีแต่ความสุขเป็นอย่างเดียว <c oughs> ก็จะกลายเป็นนิพพานขึ้นมา <c oughs> อ่า น, นี่คือบุญกุศลที่เราถ้าเรายังไม่มีเราควรที่จะมาสร้างกัน <c oughs> ถ้ายังไม่มีบุญกุศลนี่เกิดจากการทำทาน <c oughs> ก็พยายามเพียงทาทานไปตามกำลังของเรามากน้อยไม่ไม่สำคัญขอให้ได้ทาไปเรื่อย ทำไปเรื่อยๆพอได้สัมผัสกับผลนะมันจะได้รับความสุขมันก็ยังมีศรัทธามีความยินดีที่จะทำมากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด mm hmm. ะงนั้นที่สุดก็อาจจะทำแบบมีเท่าไหร่ก็ทำไปหมดเลยเพราะว่าอยากจะเปลี่ยนการทาหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองทำบุญทาทานมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการใช้สติแทนจเจริญสตินั่งสมาธิ ทำใจให้สงบทำใจให้เข้าฌานให้ได้เราก็จะได้ความสุขในระดับพรหมโลกในในระดับฌาน <Yeah. S 1> แล้วพอได้ความสุขในระดับฌานก็อยากจะได้ความสุขในระดับพระอริยบุคคลที่เป็นความสุขที่ยั่งยืนถาวรความสุขระดับฌานนี้ได้ได้ความสุขในขณะที่อยู่ในฌานพ อ, อ, อจากฌานมาออกจากสมาธิมาความสุขนั้นก็จะจางหายไป ถ้าอยากจะได้ใหม่ก็ต้องกลับเข้าไปในฌานใหม่แต่ถ้าอยากจะให้ความสุขที่ได้จากฌานอยู่ต่อไปโดยที่ไม่ต้องกลับเข้าไปในฌานก็ต้องใช้ปัญญามาคอยกําจัดตัวที่ทําให้ความสุขของฌานเสื่อมลงไปตัวที่ทําให้ความสุขของฌานเสื่อมลงไปก็คือก็คือก็คือกิเลสตัณหานี่ยเองความโลภความอยากต่างๆเวลาใจ ไม่มีความโลภความอยากนี่ใจจะนิ่งสงบจะเฉยจะสบายอย่างเช่นตอนนี้ญาติโยมไม่มีความโลภความอยากใจจะรู้สึกเฉยเฉยสบายใจไม่มีอะไรมาก่อปวยแต่พอเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมานี้จะรู้สึกว่าอยู่ไม่เป็นสุขแล้วอยู่เฉยเฉยไม่ได้แล้วต้องลุกไปทําอะไรตามตามความอยากของตนทันทีถ้าไม่ได้ทำแล้วมันจะรู้สึกปวยหงุดหงิดลาคาญใจแทนที่เราจะไปทําตามความอยากเรามาหยุดความอยากดีกว่า ด้วยการพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากได้นั้นมันไม่สามารถมาให้ความสุขกับเรามาแก้ปัญหาความทุกข์ใจของเราได้อย่างยั่งยืนตัวที่จะทำให้เราแก้ปัญหาคือความทุกข์ความไม่สบายใจความหงุดหงิดรำคาญใจให้มันหมดไปได้ก็คือการกาจัดความอยากต่างๆนั่นเองอันนี้คือการใช้ปัญญาสอนใจว่าวิธีที่จะทาให้ใจเรากลับมาสงบเป็นปกติสุข เราต้องคอยกำจัดความอยากต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาความอยากมันก็อยากได้สิส่งนู้นสิ่งนี้เพราะมันความหนุงคิดว่าถ้าได้สิส่งนั้นสิ่งนี้มาแล้วได้ทำสิ South, สส ut, ่งนั้นสิ่งนี้แล้วจะได้เกิดความสุขขึ้นมา <mm มันก็เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขชัวข่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนถาวรเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องมีการเสื่อมมีการดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในโลกที่ให้ความสุขกับเรานี้ มันจะต้องมีการเสื่อมมีการดับมีการพัดภากจากกันไป mm hmm. เวลามันเสื่อมมันดับมันจากเราไปมันก็จะทำให้เราเศร้าทำให้เราทุกข์ด mm hmm. ฉะนั้นแทนที่เราจะไปหาสิ่งต่างๆมาดับความทุกข์ใจของเรา mm hmm. เราเพียงแต่หยุดความอยากที่เป็นตัวเหตุสร้างความทุกข์ใจเท่านั้นเองโดยการเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้ใจเราหายหทุกข์ได้ mm hmm. นอกจากการเห็น เห็นโทษของความอยากเห็นโทษของกิเลสตัณหาที่มันสร้างเป็นตัวสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเรากำจัดตัวความอยากได้ไม่ทำตามความอยากได้ความทุกข์ใจที่มีอยู่ก็จะหายไปแล้วใจก็จะสงบใจก็จะอยู่ในความสุขไปเรื่อยๆตราบใดถ้าไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมา ถ้ายังมีความอยากอยู่มันเดี๋ยวมันก็ต้องโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจว่าตัวที่ต้องกําจัดก็คือตัวความอยากไม่ใช่ไปทําตามความอยากเพราะสิ่งที่มันที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นสิ่งที่จะทําให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงมันให้ความสุขแบบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็จะให้ความทุกข์กับเราอีกอันนี้คือขั้นของปัญญาต้องรู้จักรู้จัก อริยาาสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมากต้อรู้จักตายรักอันนี้จังทุกขงังอนัตตาถ้าเราเข้าใจสองหลักนี้แล้วเราก็จะสามารถที่จะกําจัดความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากได้พอกิเลสตัณหาถูกกำจัดไปหมดแล้วก็จะไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจอีกต่อไปใจก็จะสงบจะว่างจะเย็นจะสบาย อยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีอะไรได้เพราะการมีอะไรนั้นมันเป็นการมีความทุกข์ทั้งนั้นเพราะสิ่งที่เรามีนั้นมันเป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีร่างกายเดี๋ยวมันก็ต้องแก่เจ็บตายมันก็จะให้ความทุกข์กับเรามีทรัพสมบัติเข้าของเงินทองมันก็เป็นของไม่เที่ยงมีเจริญแล้วมันก็มีเสื่อมเป็นธรรมดาในช้าก็แล้วก็ต้องมีการพัดพาคจากการเป็นธรรมดา มีบุคคลนั้นบุคคล น, นี้มาให้ความสุขกับเรามันก็เป็นของชั่วคราว <c oughs> เพราะบุคคลนั้นบุคคล น, นี้ก็เป็นก็ไม่ได้อยู่อย่างยั่งยืนถาวร <c oughs> ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องจากกันไป <c oughs> เพราะฉะนั้นการไม่มีอะไรการไม่มีความอยากได้อะไรนี่แหละเป็นตัวที่จะทําให้ใจสงบทําให้ใจมีความสุขอย่างแท้จริง <c oughs> เพราะถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องทุกข์กับสิ่งที่มี หรือว่าถ้ามีก็มีแบบไม่ยึดไม่ติดเท่านั้นถึงจะไม่ทุกข์ก็มีอะไรก็พร้อมที่จะให้มันจากเราไปมีอะไรก็ไม่ได้ไปยินดียินร้ายกับมันไม่ได้ไปหวังพึ่งมันให้ความสุขกับเรา mm hmm. ถ้าไม่มีคมจำจําเป็นที่ต้องเก็บไว้ก็เอาไปเป็นบริจาคเป็นทานไป mm hmm. ถ้าเป็นสิ่งที่จําเป็นเช่นอาหารผัจจัยี่ที่ต้องมีไว้เลี้ยงดูร่างกายก็มีก็มีเก็บไว้เลี้ยงดูมันไป mm hmm. แต่จะเลี้ยงดูยังไงร่างกายมันไม่ช้ากันเลยมันก็ต้องแก่เจ็บตายอยู่ดีเหมือนกันอ<ม>ปัจจัยสี่ที่เรามีไว้สลอดเลี้ยงดูร่างกายก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้ร่างกายอยู่ไปอย่างยั่งยืนแบบไม่มีวันแก่วันเจ็บวันตายได้อยู่ดี<ม> น, น, นี้คือปัญญาเป็นสิ่งที่เราต้องรู้แล้วไม่ไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งต่างๆในร่ลกนี้ไม่ควรที่จะมีความอยากกับสิ่งต่างๆ เพราเมื่อมีแล้วมันจะทำให้ใจเราทุกข์ขึ้นมานั่นเอง <Yeah. S 1> อันนี้คือบุญกุศลที่เราควรที่จะมาสร้างกันสร้างบุญกุศลในระดับทานสร้างบุญกุศลในระดับสมาธิสร้างบุญกุศลในระดับปัญญา <Yeah. S 1> เมื่อเราสร้างสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเราก็ต้องรักษาไว้ <Yeah. S 1> เคยทําบุญทำทานอยู่เรื่อยๆก็ทําบุญต่อไปเคยฝึกสตินั่งสมาธิอยู่ก็ฝึกต่อไป คอยเจริญปัญญาก็เจริญต่อไปจนกว่าจะได้ผลเ mm hmm. มื่อเราได้ผลแล้วมันก็ไม่ต้องเจริญแล้วเหมือนกับปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เราก็ต้องคอยทำรูปบำรุงต้นไม้ไปเรื่อยๆก่อนจนกว่ามันจะออกดอกออกผลขึ้นมา mm hmm. พอมันออกดอกออกผลนะั้นเราก็ไม่ต้องทําอะไรแนละ้วเราก็รับผลประโยชน์จากผลที่เราที่ได้จากการปลูกต้นไม้ mm hmm. เก็บผลไม้ไปขายเป็นต้นน mm hmm. นี่คือการสร้างบุญสร้างกุศลและการรักษาบุญรักษากุศลที่เรามีอยู่นี้ให้คงอยู่ต่อไปส่วนบาปอากุศลที่เราต้องละคืออะไรบาปอากุศลก็คือการกระทำบาปนี่เช่นการฆ่าสัตว์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดการโกหกหลอกลวงการเดื่มชรวยยาเมาและอบายามุกต่างๆเพราะการกระทำเหล่านี้จะทำให้ใจทุกข์นั่นเอง แล้วตายไปใจก็จะต้องไปเกิดในอบายเวียนว่ายตายเกิดในอบายไปเรื่อยๆถ้าเราหยุดการทำบาปได้ใจเราก็จะไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดหน้าอ <với. S 1> กุศลนอกจากบาปแล้วมีอะไรก็กิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความโลภความโกรธความหลงนี้เป็นหาอ ก, กุศลเวลามันเกิดขึ้นมาในใจแล้วมันจะทาให้ใจเราทุกข์กเวลาเกิดความโลภขึ้นมาในี้ใจแล้วอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว ต้องไปต้องไปหาเอาไ ป, ไปหาไปซื้อของที่เราอยากได้ทันทีแล้วถ้าไม่ได้ก็ต้องเกิดความเสียใจเศร้าใจขึ้นมาถ้าได้แล้วก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาของที่เราได้มาอีกแล้วเวลาที่มันจากไปมันก็ทําให้ใจทุกข์อีกนั้นอย่าอย่าอย่าส่งเสริมอกุศลให้มันเกิดขึ้นภายในใจต้องคอยกําจัดมัน เวลาเกิดความโลภเกิดความอยากก็ต้องกำจัดมันด้วยปัญญาด้วยสติด้วยสมาธินี่ mm hmm. ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะระงับความอยากต่างๆได้ระงับความโกรธได้ระ mm hmm. งับความหลงที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาได้แล mm hmm. ถ้าเราละสิ่งไหนได้แล้วก็ให้เรารักษาไปถ้ารักษาการ การไม่ทําบาปได้แล้วเช่นรักษาศินห้าได้แล้วก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆไม่ใช่เปลี่ยนว่าวันนี้ขอขอไม่รักษาวันหนึ่งได้ไหมขอไปกินเหล้าเมายาขอไปอไปทําบาปอย่างนี้ไม่ได้ไนงะถ้ารักษาได้แล้วก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆอย่าให้มันถดถอยอย่าให้มันเสื่อมเพราะทุกครั้งที่เราทําบาปนี้มันเป็นงานสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราเองไม่ได้ไปสร้างความทุกข์ให้กับใคร อ, อาจจะสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นด้วย แต่ตัวที่มันสำคัญกว่าก็คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจเรานี่เวลาทำบาปแล้วใจเราจะทุกข์ร้อนเดื mm. อดร้อนใจวิตกกังวลหวาดกลัวกลัวว่าจะอาจจะถูกจับไปลงโทษเป็นต้น mm. กลัวจะถูกเขามาร้านแค้น mm. อยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นปกติสุขแต่ถ้าเราไม่ทำบาปแล้วเราจะรู้สึกเฉยๆอยู่อย่างสบายไม่มีความทุกข์ไม่มีความวิตกกังวล เพราะเราไม่ได้ไปทำอะไรให้ใครเสียหายหเดือดร้อนเมื่อไม่มีใครเขาเสียหายหเดือดร้อนก็ไม่มีใครที่จะมาะจับเราไปลงโทษเรืรมาล้างแค้นดงนั้นถ้ารักษาศีลห้าได้แล้วก็ต้องรักษาไปเรื่อยๆ อ, อย่าเลิกรักษาทำให้มันเป็นนิสยัยเปเป็นนิจศีลไปไม่ต้องมาขอมะยังพันเต ท, ทุกวันพระรอขอครั้งเดียวก็พอแล้วก็รักษาไปตลอดชีวิตเลย อย่างนี้แล้วความทุกข์ใจที่เกิดจากการทํำบาปก็ไม่มีแล้วก็มาละอกุศลก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆความโกรธต่างๆเลาเกิดความโลภความอยากความโกรธก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามากําจัดมัน mm. เราต้องไปสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาไว้ก่อนพอเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วถ้าเรายังมีอกุศลอยู่ในใจอยู่มีความโลภความโกรธความหลง ความอยากอยู่ในใจอยู่เราก็ใช้สติสมาธิปัญญานี้กำจัดมันได้เลยกำจัดไปได้ทุกตัวเลยมีกี่ตัวหมดโผลมาเมื่อไหร่ก็ใช้สติใช้สมา ธ, ใมาธิใช้ปัญญานี้คอยกำจัดมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหายหมดไปจากใจเมื่อหายหมดไปจากใจแล้วความเพียรของเราก็ถึงขั้นขั้นสิ้นสุดลงมุสิตังบ ร, รมจริยังคือกิจในบรมจัริย์ได้สิ้นสุดลงแล้ว เพราะอากุศลทั้งหลายที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้ถูกกำจัดไปหมดสิ้นแล้วการกระทำบาปทั้งปวงก็ได้ละแล้วกุศลต่างๆที่ต้องสร้างก็สร้างแล้วสร้างท า, านแล้วสร้างศีลแล้วสร้างทานแล้วสร้างสติสร้างสมาธิแล้วสร้างปัญญาแล้วก็จะไม่ไม่อะไรจะต้องทำอีกต่อไปการเจริญสัมมาวายโมก็ครบบริบูรณ์ค<อ>ือการเจริญ บุญกุศลที่ยังไม่มีให้เกิดขึ้นบุญและกุศลทั้งหลายให้เกิดขึ้นแล้วการรักษาบุญกุศลที่ได้สร้างขึ้นนี้ไม่ให้โหดหายไปแล้วก็สามรักบาปและอกุศลทั้งหลายให้หมดไปจากใจสเมื่อได้รับบาปอากุศลที่หมดไปจากใจแล้วก็ป้องกัน ร, รักษาไม่ให้มันหวนกลับขึ้นมาอีกต่อไปถ้าเราทำความเพียรทั้งสี่ระดับนี้แล้ว เราก็จะถึงถึงที่สิ้นสุดแห่งงาน<ม>งานทางโลกนี้ไม่มีวันสิ้นสุดทำเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอได้ครอว่าอยากจะได้สอกได้ได้สอกก็อยากจะได้วาแต่งานทางธรรมนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อความทุกข์หมดไปจากใจแล้ว<ม>ก็ไม่มีอะไระต้องทำอย่างต่อไป<ม><ม>เพราะใจมีแต่ความสุขตลอดเวลาเป็นมรมมสุขนี่แหละคือกิจที่พรเจ้าต้องการให้สาธุชนพุทธบษัน เราทำกันในวันพร ะ, ะให้หยุดภารกิจการทำอาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไว้หนึ่งวันแล้วอาเอาเวลามาให้กับการเจริญความเพียรสี่ลักษณะด้วยกันถ้าเราทำบ่อยๆเข้าทำมากขึ้นมากขึ้นความสุขก็จะมากขึ้นไปตามลาดับความทุกข์ในใจก็จะน้อยไปตามลาดับความหิวก็จะน้อยลงไปความอิ่มใจก็จะมากขึ้นไป จนต่อไปก็ความหิวความทุกข์ก็จะหายไปหมดเหลือแต่ความสุขความอิ่มใจไปตลอดนี่คือผลที่จะได้รับจากการที่เรามาบำเพ็ญความเพียรในวันพระกันในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะาทาวเารวาหาปุราปาริปุเรนเตสาขะรัง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 อระโสยะาสัพพิติโอวิวาชันตุสัพพโรโคงินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทิขายุโกภวะอภิวัตนะสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏานเตอายุวันุสุขัง าลาช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะตอบคำถามให้ถ้ามาถามหลังจากนี้แล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้าขมาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้รับฟังทางเ a c e b o o สามร้อยี่สิบท่าน YouTube พระสุชาติสามร้อยสิบสามท่าน YouTube ดตรวสี่สิบสามท่านวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดท่านกลับสหาว์ห้าท่านนาคุติหนึ่งร้อยหนึ่งท่านรวมทั้งหมดเจ็ด้อยเก้าสิบสามท่านครับอาจารย์เชิญมีคำถามจากทางนาคุติคะ่ะถามว่า หลังจากถอยออกจากสมาธิมาเดินปัญญาจะขยับตัวได้หรือยังคะก็แล้วแต่ว่าเราเดินปัญญาแบบไหนถ้าเราต้องการพิจารณาทุกขเวทนาเราก็ต้องไม่ขยับเราอย่าไปทำให้เวทนามันหายไปปล่อยให้มันอยู่ของมันเองไปปล่อยให้มันดับของมันเองไปเพื่อเราจะได้พิสูจน์ว่าเราสามารถอยู่กับทุกขเวทนาได้ มันอยู่เราก็อยู่กับมันได้มันจะไปเราก็ไม่ได้ห้ามมันมันจะไปก็ปล่อยมันไปแต่ถ้าเราจะพิจารณาเรื่องอื่นนี้เราก็เปลี่ยนอริยบทได้เช่น mm hmm. พิจารณาอสุภะนี่เราก็ให้นึกถึงอาการสาสองของร่างกายแต่ต้องนึกบ่อยๆคิดบ่อยๆจนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเราพอเราเห็นร่างกายปั๊บเราจะเห็นอาการส2ขึ้นมาทันที คุณสุกัญญาค่ะกราบนมัส ก, การเจ้าค่ะเรารู้ทุกแต่ทําไมเรายังทุกอยู่เจ้าคะพอราละต้นเหตุของความทุกข์ไม่ได้ไงต้นเหตุของความทุกข์ก็คือความอยากเช่นอยากไม่เป็นโรคมะเร็งอย่างนี้พอไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายนีย่ใจก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีทุกเพราะว่าไม่ใช่เป็นเพราะมะเร็งนะทุกเพราะว่าเราไม่อยากเป็นแต่ถ้าเราใช้ปัญญาใช้สติใช้สมาธิหยุด ความอยากได้อเป็นก็เป็นว่าอยู่กับมันไปห้ามมันไม่ได้อพอเพิกใจเปลี่ยนจากความไม่อยากเป็นเป็นการยอมรับอเป็นก็เป็นความทุกข์ใจก็จะหายไปคําถามจากทางหน้ากุฏิค่ะข้อที่หนึ่งค่ะหนูเป็นมะเรง็งสามีป่วยลูกยังเล็กหนูจะวางใจอย่างไรในการละห่วงเรื่องลูกและสามีและความเจ็บป่วยค่ะ เป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะไปควบคุมบังคับมันได้พระพุทธเจ้าบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาเป็นเหมือนเป็นภาวะทางทางธรรมชาติเหมือนดินฟ้าอากาศฝนตกแดดออกน้ำท่วมไฟไหม้อะไรต่างๆเหล่า น, นี้มันเป็นเหตุปรากฏการทางธรรมชาติเช่นเดียวกับการแก่เจ็บตายของร่างกายของคนเราทุกคน งั้นขอให้เรายอมรับความจริงกันนี้แล้วเราจะไม่ทุกข์ส่วนเราทําอะไรได้เราก็ทําไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็อยู่กับมันไปห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้มันจะตายก็ปล่อยมันตายไปท่านั้นเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามตามธรรมชาติของมันเหมือนกับดินฟ้าอากาศเราก็จะไม่ทุกข์กับมันข้อที่สองค่ะ ลูกติดยาสามีมีชู้จะวางใจอย่างไรเจ้าคะปฏิบัติธรรมจะช่วยให้ลูกดีขึ้นไหมเจ้าคะ่ะดีก็เรามองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาคนเราคนนี้บางคนก็อยากชอบมีชู้เขาก็จะไปมีชู้คนชอบติดยาเสพติดเขาก็จะไปเสพยาเสพติดซึ่งเราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เขาจะไปก็เป็นเรื่องของเขาคนที่รับข้อก็ไม่ใช่เราคนที่รับข้อก็คือเขานั่นแหละ คนที่ทำบาปก็ต้องเป็นผู้รับเคราะห์ของเขารับกรรมของเขาเราไม่ได้ทำบาปเราไม่ต้องไปทุกข์กับเขาให้เสียเวลาเปล่าๆจากคุณพัชรวุฒิพัชรวัตรค่ะขอพัยค่ะลูกขอกลับความเมตตาถามหลวงพ่อว่าขณะลูกนั่งฟังการแสดงธรรมจากหลวงพ่อรู้สึกว่าลมหายใจและไม่ปวดเมื่อยครับใช่ถ้าเรามีอะไรทำมีอะรลอง ทำในใจเราใจเราจะเพลิดเพลินแล้วอาการเจ็บปวดต่างๆจะไม่มาลบควนใจแม้แต่การนั่งดูละครมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่ามันมีความเพลิดเพลินอยู่กับการดูหรือนั่งเล่นนั่งเล่นไพ่กันอยู่นี่ถึงแม้จะปวดฉี่ก็ยังทนได้เพราะเรามีอะไรทํามันก็เลยไม่ทุกข์ ใ น, นเวลาที่เราทํานั่งสมาธินี้เราต้องมีอะไรทําแล้วเราใจเราจะได้นิ่งเฉยได้ต้องมีพุทโธไปทำไปหรือต้องดูลมหายใจไปหรือถ้าฟังเทศก็ฟังเทศไปแล้วมันจะมีความเพลิดเพลินกับงานที่เราทําอยู่อาการเจ็บปวดตามร่างกายต่างๆถึงแม้จะมีก็ไม่มารบกวนใจเราเพราะใจเราไม่ไปสนใจไปให้ความสัมพันธ์กับมันคําถามจากทางอินบล็อกค่ะ ขออนุญาตกับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตรีโนเวทบ้านเพื่อเป็นสถานปฏิบัติธรรมเราถวายแด่วัดซึ่งเจ้าวาดเป็นพระสุปฏิปันโนสิทธิเอกสายหลว ง, งปู่ม่นองหลวงตาวัดสายหลวงตามหาบัวทีมช่างรีโนเวตก็รู้สึกรู้รู้ทั้งเจตนากุศลและการเสียสละบ้านเสียสละเงินของเรา แต่ทีมช่างก็ยังโกงค่าแรงต่างๆขออนุญาตถามเลยนะคะข้อที่หนึ่งทีมช่างจะบาปกว่ากรณีรับงานและขโมยกรณีบ้านทั่วไปธรรมดาหรือไม่คะเหมือนกันจะทำทาบาปกับวะทำบาปกับคารวสมันก็บาปเหมือนกันขออภัยนะคะหลวงพ่อพอดีคำถามยาวย่อได้ไหัหยสรุปได้ไั้ย คู่นะคะหนูขอข้ามไปข้อที่สามเลยนะคะบุญอานิสงส์นี้ของเราถ้าเราอุทิศให้บรร พ, พบุรุษได้ไหมคะเขาจะได้รับอา น, นิสงส์อย่างไรบ้างคะคือบุญที่เกิดจากการทําทานนี่มันเกิดผลทันทีเวลาที่เราเสียสละข้าวของเงินทองไปนี้ใจเราจะเกิดความสุขใจเย็มใจขึ้นมาอันนี้เราอุทิศได้ให้อุทิศกับผู้ที่ร่วงรับไปได้ ส่วนผู้ที่ร่วงรับไปเขาจะมารับหรือไม่รับนี้ก็อยู่สถานภาพของเขาถ้าเขาเกิดไปเกิดเป็นเทพเป็นเทวดาเขาก็ไม่ต้องมารับบุญแต่ถ้าเขาเป็นเบรดเป็นเปรตเป็นขอทานเขาก็จะมาขอรับบุญจากเราไปคําถามจากคุณนางค่ะทําทานด้วยการหวังผลแบบนี้จะได้บุญไหมคะแล้วลูกจะวางจิตอย่างไรดีคะออการทําบุญทําทานนี้จะหวังไม่หวังมันก็ได้ผลอยู่แล้ว คือความสุขใจอิ่มใจเพราะฉะนั้นจะหวังผลก็ได้ไม่หวังผลก็ได้เหมือนกับการกินข้าวนะกินข้าวจะหวังผลหรือไม่หวังผลกินแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันตอนนี้ยังไม่มีใมมช่ไหมนะขอ่ามเชิญจะเส่ง m a i ์ไปให้คุณตายเนอยน้อมกราบน้ำส ก, การพระอาจารย์ค่ะ พระอาจารย์ที่บอกว่าการทํำบุญเป็นความสุขใจแต่ทําไมเราทําบุญทําทานเนี่ยมันสุขใจแป๊บเดียวแต่ว่าถ้าเราทําผิดในศีลข้อห้าข้อใดข้อหนึ่งทําไมมันอยู่ได้หลายวันคะแต่ความสุขใจมันแป๊บเดียวเองมันอยู่ที่ความผูกพันของใจเรากับการกระทําบางอย่างบางอย่างเราทําแล้วเรามีความผูกพันกับมันเช่นไม่อยากจะทําแล้วไปทํามันก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมา มันก็จะวิตกกังวลกับการกระทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราทำบุญแล้วเราไม่มีความผูกพันกับมันเราทำเสร็จแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปมันก็มันไม่หายไปมันมันเข้าไปอยู่ในใจเราไปเก็บไว้ในตู้ในใจของเราแต่ถ้า ท, ทุกครั้งที่เราคิดถึงบุญที่เราทำมันก็จะโผล่ขึ้นมา<ะ>มนอยู่ที่เราเนื้อคิดอของเราเ่ย เราชอบไปนึกคิดถึงการทําบาปของเรามันก็เลยค้างอยู่ในใจเราอยู่นิดนึงเพราะว่าถ้าเราผิดข้อนึงมันแบบอยู่สองวันสามวันางเงี้ยก็คิดอยู่เรื่อยถ้าคิดถึงมันมันก็จะทุกข์ใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่คิดถึงมันมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนมันมันเข้าไปในตู้ใจของเรามันจะแสดงผลต่อเวลาที่ตอนที่เราตายอจะค่ะยอมนึกว่าเวลาทําบุญไอ้ทําน้อยไปหรือเปล่าหรือว่าบาปที่เราทํามันเยอะกว่าบุญ น้อยน้อยหรือไม่น้อยน้อยมากมันก็มีผลเหมือนกันถ้าทํามากมันจะรู้สึกว่ามันมีความประทับใจมากกว่าการการทำน้อยๆอยแต่ก็ต้องดูกําลังของเราด้วยนะเราทเราทําได้มากได้น้อยเราก็ทําไปตามกําลังของเราพอดีโยกไปผิดศีลมูสายอย่างเงี้ยพระเจ้ามันก็ค้างอยู่ในใจเราเราไม่อยากจะผิดเงี้ยแล้วพอไปผิดแล้วมันเสียใจมันทุกข์ใจมันไม่อยากจะมันก็คิดอยู่เรื่อยๆ ใช่ค่ะมันค้างอยู่ข้างใ น, นต้องใช้ใช้สติใช้ปัญญาว่ามันผ่านไปแล้วอย่าไปคิดถึงมันเอามาเป็นบทเรียนก็พอว่าต่อไปนี้เราอย่าไปทําอีกก็แล้วกันทำนนแล้วก็จทยบก็ผ่านไปเจ้าคะ<ต>จะคิดคิดถึงบุญที่เราทําดีกว่าอไปช่วยคนนั้นช่วยคนนี้ไปทํานู่นทํานี่เกิดประโยชน์กับคนนั้นเกิดคิดแล้วมันก็จะทําให้เรามีความสุขใจขึ้นมาค่ะราขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะ อย่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแล้วข้อสามได้ข้อสองเมื่อกี้ได้ข้อสรุปล้อะที่เ่าถามอ่านอ่านมาให้คนอื่นฟังด้วยก็ได้ไม่เป็นไรมีเวลาบ้างพอดีนี่ยังหายไปได้เลยตัวสามมือถือเราก็เหมือนใจเราเนี่ย มันเก็บข้อมูลต่างๆไว้อยู่ที่ว่าเราค้นหามันได้หรือเปล่าบางคนเก่งสามารถนั่งลึกชาติได้เพราะมันก็อยู่ในใจของเราเราทําอะไรมามันถูกบันทึกไว้ในใจเรามาหมดเพียงแต่ว่าเราจะเข้าถึงข้อมูลหนันน้นได้หรือเปล่าขออนุญาตอ่านทั้งหมดเลยนะคะพระอาจารย์ถ้าเราใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายในชีวิตรีโนเวทบ้านเพื่อ เป็นที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมเราถวายแด่วัดซึ่งเจ้าว่ายเป็นพระสุตสปติปันโนสิทธิเอกสายหลวงปู่มัน่นแล้วก็หลวงวัดหลวงตามหาบัวทีมช่างโนเวตก็รู้ทั้งเจตนากุศลและการเสียสละแต่ทีมช่างก็ยังโกงเงินเราข้อนี้ก็คือถามหลวงพ่อไปแล้วนะคะแล้วก็เขาถามต่อไปว่าซึ่งในกรณีเช่นนี้ของเราข้อหนึ่งทีมช่างจะเสวยวิบากกรรมได้เช่นไรคะ ก็ความทุกข์ใจมันจะอยู่ในใจของเขาแล้วจ ะ, สะแสดงผลตอนที่เขาตายไปถ้าเขาทำบาปมากกว่าทำบุญบาปนี้ก็จะพาให้เขาไปเกิดเป็นเป็นในละชานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสูรกายบ้างแล้วแต่ว่าทาด้วยเหตุผลนันใดถ้าทำบาปด้วยความโลภ ก, ก็จะไปเป็นเปรตเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหอยอ่าข้อสองค่ะเขาถามว่า ถ้าเขาเอาเงินที่กงเราขโมยของในบ้านเราเขาขโมยไปขายแล้วเอามาเลี้ยงตนเองและครอบครัวให้กินได้เสพสุขคนในครอบครัวเขาจะได้รับผลกรรมด้วยไหมคะไม่ได้แร้ผลกรรมอยู่ที่คนกระทาคนเดียวประมาณนี้ค่ะคนที่ไม่ได้ทำนี้อย่างคนขโมยเงินแล้วเอามาใส่บาตรให้ผ้ากินข้าวนี้พ้าไม่บาปตามกับข้าวด้วย เงิไม่สนใจหรอกคุณเอาเงินมาทางไหนมันเรื่องของคุณแต่คนทําบุญสาบาปคนก็ได้บุญถึงแม้จะเป็นเงินบาปก็ตามมันก็ยังได้บุญบาปกับบุญมันเป็นคนละบัญชีกันบัญชีบาปก็ยังอยู่บัญชีบุญไม่สามารถไปลบล้างบัญชีบาปได้แต่สามารถแข่งกับแข่งกับบาปได้ถ้าบัญชีบุญมียอดสูงกว่าบัญชีบาปบัญชีบุญก็จะส่งผลก่อน จากคุณชัยยันค่ะกับเรียนถามพระอาจารย์ครับในการปฏิบัติธรรมการตั้งเป้าหมายเพื่อรักษาสุขภาพจิตใจให้ดีขึ้นเป็นกระแสของกิเลสไหมครับหรือไม่ควรตั้งเป้าหมายเพียงทำแต่เหตุไม่ควรหวังผลครับคือร่างกายเราก็ต้องเลี้ยงดูมันให้ดี <c oughs> ไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเกินกว่าเหตุนว <c oughs> เพื่อนที่เราจะได้ใช้ร่างกายมาศึกษาปฏิบัติธรรม แต่ถ้าเรามุ่งไปอยู่ที่การรักษาอย่างดูแลร่างกายอย่างเดียวไม่ให้มันเจ็บเลยไม่ให้มันเป็นอะไรเลยนี่พอมันเป็นมันก็จะทำให้เราทุกข์ใจขึ้นม า, mm. าเราต้องรักษามันไปดูแลมันไปตามอัตภาพดูแลตามปกติของเราก็มีกำลังดูแลมีปัจจัยสี่ก็เลี้ยงดูมันไปมีเวลาพักผ่อนก็พักผ่อนมีเวลาออกกาลังกายก็ออกกำลังกายเพื่อร่างกายมันแข็งแรง แต่ถ้ามันเป็นเหตุสุดวิสัยเกิดมันไปเจออุบัติเหตุไปติดเชื้อมาจากคนนั้นคนนี้เราก็ต้องทําใจว่าเราทําได้เท่านี้คําถามจากคุณใบบุญค่ะกราบสอบถามค่ะตู้เสื้อผ้าที่บ้านอากาศชื้นทําให้มีเชื้อราถ้าเราทําความสะอาดเนื่องจากเช็คเราว่าเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะหรือเราให้คนอื่นช่วยจะดีกว่าไหมคะ อ, อ๋อเชื่อรามันไม่มีวิญญาณไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่บาปนะเหมือนต้นไม้นี่ตัดต้นไม้ไม่บาปเพราะต้นไม้ไม่มีวิญญาณมีชีวิตแต่ไม่มีวั น, ไ ม, มวนไม่มีวิญญาณไม่มีจิตไปไประยึดติดเหมือนกับร่างกายของคนหรือของสัตว์เนืในร่างกายของคนของสัตว์นี่มีวิญญาณมีจิตใจมายึดมาติดจะเป็นผู้สัมผัสกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ไปทําสิ่งที่ ไปทำไปทร้ายร่างกายของของสัตว์หรือของมนุษย์นี่มีจิตใจจิตใจจะทุกข์ขึ้นมาแล้วจะเกิดอาการอาฆาตพยาบาทได้จองเวรจองกรรมได้แต่กับเชื้อรานี่เขาไม่มีดวงวิญญาณต้นไม้ไม่มีดวงวิญญาณเราไปตัดต้นไม้ต้นไม้ไม่โกรธไม่แค้นไม่เคืองไม่อาฆาตพยาบาทไม่ทุกข์ไม่ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่มีความรู้เขาไม่มีตัวรู้อยู่ในในร่างในต้นไม้ จากคุณนนท์ค่ะถามว่าทํายังไงถึงจะได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อครับก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยเพียงแต่มาฟังธรรมก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์แล้วที่นี้ไม่มีการรับลูกศิษย์เป็นแบบทางการไม่มีพิธีกรรมว่าต่อไป น, นี้เป็นลูกศิษย์ของข้าพเจ้าแล้วนะ <c oughs> เราถือว่าโดยปริยายโดยโดยโด ย, โดยเชิงปฏิบัติโดยเชิงการกระทําถ้าคุณสนใจศึกษาธรรมะ ข, ของเราก็แสดงว่าคุณเป็นลูกศิษย์ของเราแล้ว <c oughs> ยังไม่มีคม่ะโอเคมีใครอยากจะถามอะไรอีกไหมถามได้นะเมื่อคืนนี้มีคนเข้ามาถา ม, มเมื่อคืนนี้มีมีรายการสนทนาธรรมกับหมอวีเวลาสองทุ่มคืนวันอาทิตย์มีคนเข้ามาถามประมาณแปดสิบกว่าคำถามด้วยกันในเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ทุกอาทิตย์วันวันอาทิตย์ช่วงสองทุ่มทาง u ูทูบหรือทางเฟซุกมีการถ่ายทอดสดใครอยากจะถามอะไรก็สามารถส่งข้อความเข้ามาถามได้ในช่วงนั้นางคืนก็คำคถามก็เกินร้อยก็มีแล้วแต่ว่าคำตอบมันสั้นหรือมันยาวถ้าคำตอบสั้นนี่มันก็ถามคำถามได้มากถ้าคำตอบยาวคำถามก็น้อยเมื่อเกินี้คำตอบมันยาวปกติมันจะเกินร้อย แ ล, แล้วคืนวันพุธก็มีการเข้าห้องซูมใครอยากจะเข้ามาถามคำถามมันก็เข้ามาได้ในห้องซูมเช่นเดียวกันเวลาสองทุ่มคืนวันพุธเนี mm ่ hmm. แล้วก็ต้องมีโปรแกรมซูมถึงจะเข้ามาได้ mm hmm. เข้ามาในห้องเหมือนเ mm hmm. านั่งคุยมานั่งสนทนาธรรมกันเหมือนคนาะที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้ mm hmm. แล้วสวนวันอังคารก็มีห้องซูมเหมือนกันแต่เป็นภาษาอังกฤษ mm hmm. อันนี้ขอสมหวนไว้สำหรบับชาวต่างชาติคนที่เขา พูดภาษาไทยไม่ได้เขาจะได้เข้ามาพัฒนาธรรมเหมือนถ้าคนไทยเข้าไปอยู่ในห้องมันจะเต็มแล้วคนที่เขาอยากจะเข้ามาในห้องเนียจะไม่สามารถเข้ามาได้ก็เลยต้องขอขออภัยสําหรับคนไทยที่อยากจะเข้ามาถ้าไม่มีคําถามอะไรถ้ามีคําถามก็รอเข้ามาถามในวันพุธเป็นภาษาไทยวันอังคารก็ดูถ่ายทอดสดไปได้โดยที่ไม่ต้องเข้ามาในห้องมีคําถามจากคุณปิ่นแก้วค่ะ อยากทราบว่าทำไมทางวัดถึงให้มีบวชชีพราหมณ์สูงสุดแค่เจ็ดวันคะเพราะว่าห้องมันจำกัดไงแล้วคนที่อยากจะมาพักมันมีเยอะถ้าให้อยู่ยาวๆเดี๋ยวคนอื่นก็ไม่สามารถเข้ามาอยู่ได้ก็เลยต้องมีการผัดเปลี่ยนการเข้าเข้าออกออกกันเพื่อที่จะได้แบ่งปันให้กับผู้อื่นเขาบ้างจากคุณสุชัญญาค่ะ การที่เราเป็นแม่ใช้ให้ลูกซื้อของถวายพระเป็นเงินของลูกทั้งหมดแม่คนถวายบุญจะเกิดกับใครมากกว่าการระหว่างลูกกับแม่คะถ้าเป็นเงินของลูกแต่แม่เป็นคนใช้นี่ลูกก็ยังไม่ได้บุญเต็มที่นะลูกต้องเกิดจากความต้องการของลูกเองว่าอยากจะทําบุญแล้วเอาเงินของลูกไปทําบุญอย่างนี้ถึงจะได้บุญเต็มที่แต่ถ้าแม่สั่งให้ลูกไปทําบุญนี้ความจริงก็เหมือนกับเงินของแม่มากกว่า เพราเงินที่เขาได้เขาก็ได้จากแม่มาแล้วแม่ก็สั่งให้เขาเอาเงินที่ไปทำบุญก็เท่ากับใช้เข้าไปทำบุญให้กับแม่คนที่จะได้บุญก็คือแม่ลูกไม่ได้บุญจากการทำทานที่หลกการเสียสละเงินทองแต่จะได้รับได้รับบุญจากการรับใช้คำสั่งของแม่ซึ่งเป็นบุญอีกชนิดหนึ่งจากคุณเลอรั์ค่ะ กราบสอบถามพระอาจารย์ครับเคยนั่งบริกรรมพุทโธไปสักพักเรารู้สึกมีความชอบที่จะบริกรรมขึ้นมามีความสุขขึ้นมาควรทําอย่างไรครับให้สนใจความรู้สึกนั้นหรือปล่อยให้สักแต่ว่ารู้เราทําหน้าที่บริกรรมต่อไปเรื่อยๆครับทำบริกรรมไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดต้องบริกรรมไปยังกว่าจิต จ, จะตกลุมตกบ่อแล้วนิ่งเฉยสงบว่าง ตอนนั้นก็คําบริการก็จะหยุดไปเองโดยปริยายตอนนั้นก็จะเสกความสุขที่เกิดจากความสงบจากคุณอีทค่ะเรียนถามว่าอธิษฐานจิตนําอาหารให้คุณแม่ทานและขอความเจริญในธรรมสาเร็จผลไหมคะไม่สําเร็จหรอกเพราะการจะสําเร็จผลได้ต้องเกิดจากการกระทํำถ้าอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมนี้ต้องศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมไม่ใช่ถวายทาน เอาไว้ทานอันนี้สงได้ก็คือได้ความสุขใจอิ่มใจตายไปก็ได้ไปสวรรค์ยังไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ค่ะไม่มีก็เอาเท่า น, นี้ก่อนนะสําหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถิด